สมถะและวิปัสนาเป็นชื่อแห่งวิธีการเท่านั้นในเมื่อจิตมีวิตกวิจารปีติสุขเอกะขะตาก็เป็นปฐมฌม า, ปมมานปฐมฌานในการเดินจิตในสมาธิขั้นวิปัสนาซึ่งมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ นักปฏิบัติปัจจุบันนี้เข้าใจว่าสมถะ ก, กับวิปัสนาเป็นคนละอย่างการเข้าฌานถ้าเป็นปฐมฌานจิตก็เดินวิปัสนาได้ถ้าทุติยฌานวิตกวิจารนหายไปเดินวิปัสนาไม่ได้กลายเป็นฌานสมาบัติฌานสมาบัติเริ่มตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไปแต่ลักขณูปนิชฌานคือฌานในอริยมรรค หมายถึงปฐมฌมานฌานที่หนึ่งในเมื่อเข้าสมาธิลึกลงไปแล้วถอนจิตออกมาเจริญวิปัสนาเป็นไปไม่ได้นอกจากจิตจะถอนเองที่ว่าถอนจิตมาเจริญวิปัสนานี่เป็นโวหารเท่านั้นแต่แท้ที่จริงจิตเข้าไปอยู่ในฌานสมาบัติแล้วถอนออกมาเองพอถอนออกมาแล้วมาถึงระยะที่รู้สึกว่ามีร่างกายตัวตน มาสัมพันธ์กับประสาททางสมองจิตจะเกิดความคิดขึ้นมาเองในช่วงนี้พอจิตเกิดความคิดขึ้นมาเราปล่อยให้มันคิดไปเอาสติตัวเดียวตามรู้ตามรู้ตามรู้ก็เป็นการเจริญวิปัสนาที่เข้าใจกันโดยทั่วๆวไปเราเดินวิปัสนาหมายถึงพิจารณาพระไตรลักษ ยกเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์ทีนี้เมื่อเราพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นภาคปฏิบัติแต่เมื่อพิจารณาไปแล้วจิตสงบลงไปบางทีมันไปนิ่งอยู่เฉยเฉยผู้ปฏิบัติก็ว่าตัวได้ฌานการเจริญวิปัสสนามาแล้วแต่มันไม่ใช่ การพิจารณาเป็นอุบายทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิบริกรรมภาวนาก็เป็นอุบายทำให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิพอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจะเกิดวิปัสสนามันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติอย่างบางทีเราพิจารณาภูมิวิปัสสนาอยู่แทบเป็นแทบตายพอจิตสงบแล้วมันไปนิ่งอยู่เฉยๆเป็นสมาธ บางทีนึกว่าจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอมันสงบสบายสบายพอมันสงบแล้วมันไม่หยุดแค่สบายมันกระโดดไปเล่นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีจึงเป็นชื่อแห่งวิธีการเท่านั้นการบริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาก็ดีเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ การปฏิบัติตามแบบวิปัสสนานี่เราพิจารณามันเป็นแนวทางพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเองไม่ต้องไปน้อมนึกให้มันเป็นมันเกิดเองบางทีพิจารณาเรื่องวิปัสสนาพอสงบมันก็สงบสงบสงบไปจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายเหลือแต่จิตสว่างอยู่ดวงเดียว ทีนี้มาถอนจากสมาธิขั้นนี้มาพอรู้สึกว่ามีกายปับ๊บมันเกิดความคิดขึ้นมานี่มันเริ่มวิปัสสนาแล้วในเมื่อจิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติของสมาธิสารพัด ท, ที่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมามันไม่อยู่ในขอบเขตที่เรากำหนดไว้เช่นอย่างผู้ที่เคยเรียนวิชาทางโลกมาศาสตรไหนมีธุรกิจเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องอะไร เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิตามธรรมชาติแล้วมันก็ไปหาวิชาความรู้และธุรกิจที่เคยคล่องตัวอยู่ในลักษณะอย่างนี้นักปฏิบัติทั้งหลายท่านว่าจิตมันฟุ้งซ่านแต่ความจริงไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านอะไรที่มันคล่องตัวอยู่มันคล้องอยู่มันติดอยู่มันจะไปวิจัยเรื่องนั้นอย่างบางทีเราพิจารณาสมถะ พิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของปะติกูลน่าเกลียดโศโครกเราตั้งใจพิจารณาแต่เมื่อจิตสงบพับลงไปมันไม่อยู่กับอารมณ์ที่พิจารณามันจะวิ่งไปหาวิชาที่เราเรียนมาผู้ที่เรียนมาทางวิทยาศาสตร์ครุศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์มันก็วิ่งไปหาวิชาที่เรียนมาแล้วมันจะไปวิจัย แล้วในความเป็นไปของจิตในขณะที่อยู่ในสมาธิตามธรรมชาติเนี่ยมันกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาเมื่อเป็นเช่นนั้นมันเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาได้อย่างไรมันเป็นได้ตรงที่สติไล่ตามทันสติที่รู้ทันเหตุการณ์ในจิตเนี่ยเรียกว่าสมาธิปัญญาหรือวิปัสสนาแล้วเวลามันไปมันไม่ได้ไปเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนพระเทศให้โยมฟัง ประเดี๋ยวมันวิ่งไปโน้นประเดี๋ยวมันวิ่งไปนี่บางทีมันออกไปนอกบางทีมันวิ่งเข้าในแต่ผลงานของมันก็คือสติตัวที่รู้ทันเหตุการณ์นั้นนั้นมันจะไปไหนสติก็จอ่จอจอ่อจ่อตามรู้